สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธอปิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคําและเป็นกฎข้อที่15ครับก็คือกฎแห่งการเติบโตขึ้นครับเมื่อเราพูดถึงกฎแห่งการเติบโตนะครับพี่น้องครับการเติบโตของชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมันจะต้องแสวงหาจะต้องแสวงหา เมื่อแสวงหานั้นก็จะมีพลังมีฤทธานุภาพมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราและท่าทีของการแสวงหานั้นก็คือจะต้องมีท่าทีที่อุตสาหะสุดกําลังครับในการแสวงหาและเมื่อเติบโตกระบวนการการเติบโตนั้นก็จะต้องมีเจขั้นตอนครับก็มีความเชื่อคุณธรรมความรู้ ความเหนียวรั้งตนขันติธรรมธรรมะและความรักเจ็ดขั้นตอนนี้เป็นโชคล้องกันครับเกี่ยวโยงเป็นหลักการเป็นเหตุเป็นผลต่อกันพี่น้องครับเราวันนี้มาอยู่ที่ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนแรกคือความเชื่อขั้นตอนที่สอนคือคุณธรรมครับความเชื่อนั้นเป็นรากฐานของจิตวิ ญ, ญญาณ รากฐานต้องแข็งแกร่งแข็งแรงก่อนนะครับอย่างรากก่อร่างขึ้นในพระเยซูมั่นคงในความเชื่อพี่น้องครับอันที่สองก็คือคุณธรรมบุญธรรมเป็นการดําเนินชีวิตเกี่ยวพันกันครับกับความเชื่อความเชื่อที่ต้องมีการประพฤติตามความเชื่อที่จะต้องแสดงออกด้วยการกระทําครับและในเช้าวันนี้ มาถึงขั้นตอนที่สามก็คือความรู้พี่น้องครับเราเห็นความเชื่อมโยงครับความเชื่อคุณธรรมคือการประพฤติออกมาแล้วก็ความรู้ความรู้นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นแผนที่ครับเป็นแผนที่เดินทางของจิตวิญญาณของเราความรู้ของจิตวิญญาณ น, นั้นเป็นแผนที่เดินทางของจิตวิญญาณของเราแผนที่เป็นสิ่งที่ใช้ได้เป็นสิ่งที่จะต้องถูกต้องไม่มีใครดูแผนที่เพื่อแผนที่เองแต่ ทุกคนดูแผนที่เพื่อหาเส้นทางครับเพื่อหาเส้นทางไปให้ถึงที่ที่เราต้องการไปดังนั้นเองความรู้ตรงนี้ต้องเป็นความรู้แท้ครับเป็นความรู้จริงเป็นความรู้สมบูรณ์ความรู้ในด้านจิตวิญญาณนั้นจะพร่องจะหายไปไม่ได้ครับจะผิดผิดจุกถูกไม่ได้ครับจะต้องมีความแม่นยำนะครับจะต้องมีความแม่นยำพิกัดต่างๆนั้นจะต้องถูกต้อง คนเดินทางนั้นจะไม่มีแผนที่ไม่ได้นะครับคนที่เป็นเรียกว่าผู้แสวงหาจิตวิญญาณ น, นั้นจะต้องเดินไปโดยที่จะต้องมีแผนที่ฝ่ายจิตวิญญาณ น, นะครับนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับความรู้จิตวิญญาณ น, นั้นเกิดจากพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นเองนี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดครับในชีวิตคริสเตียนเราเพื่อที่เราจะไปได้อย่างถูกทางครับ หลายคนนั้นแสวงหาทางลัดพี่น้องครับแผนที่นั้นเป็นแผนที่ที่ไม่ได้ให้เราเห็นทางลัดแต่เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงว่ามีทางเดียวที่จะไปถึงพระบิดาได้ก็คือทางพระเยซูแผนที่พูดอย่างชัดเจนครับไม่มีทางอื่นไม่มีทางลัดไม่มีทางอ้อมไม่มีบายพาสนะครับไม่มีทางเลี่ยงพี่น้องครับ สิ่งต่างเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจและรู้ว่าการที่เรามาทางพระเยซูนั้นเป็นทางเดียวที่ถูกต้องแล้วและไม่มีทางอื่นในขณะที่ความรู้ซึ่งหมายถึงพระเจชนะของพระเจ้านั้นเองทำให้เรามั่นใจและเรารู้ว่าเราจะเจออะไรจากพระเจ้ะของพระเจ้านั่นเอง ดังนั้นเองครับการศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากการที่เราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราที่ต้องการเติบโตพี่น้องครับการเติบโตนั้นเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกที่พระเจ้าบังคับเลือกพี่น้องครับแต่พระเจ้าไม่ได้บังคับให้ทุกคน ที่จะต้องทําตามน้ําพระทัยของพระองค์เป็นความคาดหวังของพระองค์เป็นพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้นเองพี่น้องครับแต่ผมจะบอกว่าจะต้องบังคับเลือกครับพี่น้องการที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าการที่เราเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับเราปล่อยให้ลูกๆของเราลูกหลานของเรานะครับเลือกเองไม่ได้เราจะต้องชี้ทางครับชี้แนะแนวทางและในสุดนั้นให้เขาที่จะเดินไปในทางนั้น สุภาษิตบทที่ยี่สิบสองข้ 2, 6, ครับจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลากจากทางนั้นหลายคนไม่ยอมฝึกเด็กหลายคนไม่ยอมฝึกลูกครับและแม้กระทั่งฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้มีวินัยในการที่จะแสวงหาความรู้ครับการสแสวงหาความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเกิดจากพอ j e c ของพระเจ้าครับจะเกิดจากการที่เรามีสามัคคีธรรมในพอ j e น, นั้น เกิดจากการที่เราต้องพึ่งพาพราะวิญญาณบริสุทธิ์ครับจากสิ่งเหล่านี้เองทําให้เราจะมีประสบการณ์พระวจนะของพระเจ้าทําให้ความรู้ของเรานั้นเหมือนกับเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและถูกย่อยครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเรามีความเชื่อนะครับเมื่อเรามีความประพฤตินะครับเรามีคุณธรรมเรามีจริยธรรมเรามีศีลธรรมสําคัญ วันนี้เป็นอย่างที่3ขั้นตอนที่สาสำคัญมากๆครับก็คือความรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางที่จะเดินไปความรู้ว่าในหนทางที่เราเดินไปนั้นจะเจออะไรบ้างจะมีอุปสรรคมีปัญหามีวิธีแก้อย่างไรนั่นแหละครับคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าที่มีมาถึงเราในทุกๆเช้า ทุกๆวันตลอดเวลาครับเราสามารถที่จะพูดคุยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญสุดยอดของพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราจะเอาใจใส่เรื่องพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่เราเองนั่นจะใกล้ชิดกับพระองค์และรู้น้ำพระทัยของพระองค์ครับรู้ใจพระองค์เมื่อรู้ใจพระองค์เราขออะไรนะครับตาม ใจของพระองค์ตามน้ำมัไทยของพระองค์ตามเป้าประสงค์ของพระองค์นั้นเราก็จะได้นั่นคือการเข้าสนิทอยู่ในเถาอางอุ่นครับพี่น้องของพระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายทุกคนกลับมาสูเบสิกครับกลับมาสู่พื้นฐานก็คือกลับมาอ่านประวัิตของพระเจ้าครับพี่น้องหลายท่านที่ชอบฟังไม่ชอบอ่านนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ฝึกในการที่เราจะอ่านนะครับ และเราก็จะเข้าใจเราก็จะเคยชินเราก็จะสร้างอุปนิสัยที่ดีงามต่อไปอาเมน